ยังไงนอนวันในป่านนอ น, นอนหลับไม่มไม่มีอะไรช่วยอำนวยความสะดวกไฟต้องไฟเทียนไฟสองทางก็ต้องไปใช้อะไรก็ต้องพึ่งตัวเองหมดแท้จริงความสะดวกสบายเราอยู่อย่างนี้เราก็ชินอย่างนี้ บรรยากาศ ธ, ธรรมชาติเราอยู่อย่างนั้นเราก็ชินอย่างนั้นเท่ากับว่าเป็นบรรยากาศ ธ, ธรรมชาติดีเพราะผิดจับบรรยากาศแบบนั้นมันก็ผิดสร้างอะไรบ้างแต่เราถ้าเราไม่เอาอย่างอื่นเป็นเกณฑ์เป็นประมาณเนี่ยเราเอาจิตใจของเราเป็นเกณฑ์เป็นประมาณเเราปรับไปตามสภาพ อยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่ได้อยู่ในขวาก็ได้อยู่ในบ้านในเมืองก็ได้มีห้องแอร์ก็อยู่ได้มีพัดลมก็อยู่ได้ไม่มีห้องแอร์ไม่มีพัดลมก็อยู่ได้นอนมีม้งกลางก็อยู่ได้ไม่มีม้งค้าก็อยู่ได้น <c oughs> อนไปไล ย, ยุงไปง่วงจริงๆก็หลับของมัน นี่เราอยู่ป่าอยู่ป่าก็าจิงนะสมัยนี้เดี๋ยวนี้จะใช้ทุกยากลําบากกันดานเหมือนครูบาอาจารย์สมัยก่อนนก็ยังไม่ใช่เพราะว่าสิ่งอํานวยความสะดวกมันมีสะดวกกว่าแต่ก่อนมากมายไม่แต่ก่อนเนี่ยแม้แต่เทียนยังหายากถ้าจะลงตาทัานเราฟังท่านเดินยุกรมท่านไม่จุดเทียนถ้าเวลาไป ออกวิเวกไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่อะไรเนี่ยจะใส่ไปก็ยากจะหาก็ยากเดินมืดมืดคืออยู่อย่างอยู่ตามสภาพอยู่ตามสภาพปรับตัวเองไปตามสภาพเอาจิตใจปรับความเป็นอยู่ของตัวเองไปตามสภาพมันหากมันยอมรับได้ก็ ถ้าเราไม่เอาจิตใจของเราไปกัดไปเกณฑ์กัดอนั้นให้ถูกใจเรากัด อ, อันนี้ให้ถูกใจเราเกณฑ์อนนั้นให้ถูกใจเราเกณฑ์อันนี้ให้ถูกใจเรานอยู่ได้ท่านัมันก็เป็นธรรมชาติของใจนะแต่ถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่ธรรมชาติของใจทีเดียวมันเป็นธรรมชาติของกิเลส กิเลสมันมีอยู่ในใจเนี่ยมันไปชอบชอบกะชอบเกณฑ์สิ่งที่ไม่สามารถจะเป็นไปตามมันได้นะมันเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจของมันเปลี่ยนไปตามอำนาจของมันแต่ในเมื่อเกณฑ์ไปแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามอำนาจของมันมันก็ได้รับความทุกข์คือผิดหวังความผิดหวังอันนี้นี่ถ้าเราไม่เข้าใจนี่ ทั้งวันทั้งคืนวันคืนล่วงไปแต่ละวันแต่ละคืนเราก็นั่งกอบโกยเอากองทุกข์มาใส่ตัวเองความทุกข์จากความผิดหวังนั่นนี้เป็นความผิดหวังที่ล่าเกียที่สุดที่อยู่มีอยู่ในสิติของเราในใจมันเป็นความผิดหวังที่เกิดขึ้นจากกิเลสมันคาดหวังซึ่งมันเป็นธรรมชาติ เป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันมีประจําอยู่ในใจของเราของท่าน ม, มาตั้งแต่พร้อมกับไหนกันไหนเราก็ไม่ทราบลยกิเลสตัณหาอาสวะเนี่ย<ม>เราดูยังไงเราจะดูออากิเลสภายในใจ<ม>ของเราเราดูไปที่ความอยากในหัวใจของเราความอยากของจิตความอยากของจิต ความยินรอนของจิตความทะเยอทยานของจิตมันมีผลักดันอยู่ข้างในความอยากก็คือก็คืออยากได้สิ่งที่ควรได้จะอยากได้สิ่งที่ควรเห็นก็อยากเห็นสิ่งที่ควรรู้ก็อยากรู้อยากได้อยากเห็นอยากสรรพัฒนทุกสิ่งทุกอย่างเนื่องจากความอยากนี่แหละมันพาให้จิตอย่นิ่งไม่ได้ ต้องโดดต้องดิ่นอยู่ทุกระยะของจิตเพางั้นเถอะทุกขณะของจิตมีความอยากอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าตัณหาตัณหาตัณหามันเป็นกิเลสที่มีอยู่ภายในใจของเราทุกคนถ้าเราศึกษาอะไรไปมากเท่าไรก็ตามถ้าหากเราไม่ศึกษา สาเหตุต้นตอของอันนี้ตัวนี้แหละมันพาให้เราพกให้เราวนให้เราลุ่มหลงลุ่มหลงไปกับสิ่งที่มันไปเกี่ยวข้องพาใเราไปหลงสิ่งนั้นไปหลงสิ่งนี้นเนื่องจากว่ามันอยากไปสิ่งนั้นมันก็ไปหลงสิ่งนั้นอยากไปกับสิ่งนี้ก็ไปหลงสิ่งนี้น ค, วนความทุ่นรนความทะยานอยากของมันความอยากที่เป็นปฏิบัติตรงกันข้าม ซึ่ง ไ, ไม่สามารถที่จะทำให้เป็นไปได้ตามอานาจของใจ <g ain> ตามอำนาจของกิเลสเป็นอย่างมันไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายทั้งๆที่ร่างกายมันจะต้องแก่แต่เราก็ไม่อยากแก่ร่างกายมันจะต้องเจ็บแต่เราก็ไม่อยากเจ็บร่างกายจะต้องตายแต่เราไม่อยากตายความคิดตรงกันข้าม กับที่มันไม่ชอบใจมันไม่พอใจแล้วเรามองมาที่ใจของเราเราจะเห็นความอยากอันนี้ไม่อยากผิดหวังแต่ความอยากที่มีอยู่ภายในจิตกับเหตุปัจจัยภายนอกที่จะให้เป็นไปตามอํานาจของมันภายนอกมันคนละเหตุคนละปัจจัยเร่อร่างกายมันจะต้องแก่มันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันที่จะต้องแก่ แก่มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เราไปเกิดในท้องแม่สร้างกายก็แก่ขึ้นมาเรื่อยแก่ขึ้นมาเรื่อยภาษาธรรมะถ้าเรียกว่าแก่เข้ามาเรื่อยคือมันเจริญขึ้นมาเรื่อยเจริญขึ้นมาเรื่อยเขาเรียว่าแก่เหมือนผลไม้มันเริ่มแก่มาเรื่อยแก่มาเรื่อยแก่มาเรื่อเราก็แก่มาตั้งแต่่ในท้องแม่คือจะเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ จนกว่าจะครบอาการสามสิบสองแล้วก็ออกมาออกมาแล้วก็เริ่มแก่ไปเรื่อยกําลังวังชาก็เริ่มแก่การคลานการลุกการเดินการอะไรก็เริ่มแก่เข้ามาเรื่อยเริ่มแข็งแรงข้ามาเรื่ยอยโตขึ้นมาเรื่อยความนึกความคิดความอานสติปัญญาก็าเริ่มแก่เข้ามาเรื่อยแก่ขึ้มาเรื่อยแขึ้นมาเรื่อ ย, ๆๆยอันนี้เป็นภาวะของมันเป็นภาวะของสังขารที่มันคงที่อยู่ไม่ได้มันจะต้องผลักดันตัวเอง รักดันตัวเองนะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างของตัวเองไปเรื่อยมีคาเรียกว่าความแก่นะไม่ใช่เราเห็นคนแก่งอมหรือแต่โครงกระดูกเดินไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนนั้นเป็นแก่ชนิดหนึ่งมันแก่งอมแล้วนั่นใกล้จะหลุดจะร่วงแล้วแต่แก่ภาษาธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่าแก่ปกปิดถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่ปกปิดมันเป็นความหมายอันหนึ่งของท่านคือความเจริญขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรืย ในที่สุด ก, ก็ไปถึงแก่ถึงงอมและกใกล้จะตายด้วยเหตุที่กิเลสที่มีอยู่ภายในใจมันรักมันชอบแต่สิ่งที่มันต้องการเนชอบร่งชอบกําลังวังชาชอบร่างกายงดงามชอบเต่งชอบตึงชอบชอะไรสักอย่เวลา ร, ลร่างกายมันสื่อมันโทรมไปตามหลักธรรมชามติมันก็มีความทุกข์ใจอันนั้นมาปลอกเอาหนี้มาแต่ง เอานั่นมาบำรุงเอาอันนี้มาบำรุงต้องการสร้างการเต็งตึงตามสภาพที่จิตที่ใจเราต้องการเวลามันไม่ได้เป็นไปตามที่ใจหวังกระทุกนี่เนี่เป็นความทุกข์ที่มีความขัดแย้งกันอันนี้แหละที่เรียกว่าวิภวตันหารปรารถนาในสิ่งที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้ทั้งทั้งที่ภาวะอันนั้นมันจะเป็นไปตามภาวะของมัน มันมีเหตุมันมีปัจจัยเพราะมันมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันปัจจัยของเิเรตตันหาอาชวะที่มีอยู่ภายในใจมันก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งของมันเหตุปัจจัยภายนอกของรูปกรรมโดยเฉพาะรูปกรรมคือร่างกายของเรามันก็มีเหตุมีสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของมันมันคนละเหตุคนละปัจจัยเหตุปัจจัยอันหนึ่งไม่สามารถจะไปแก้ไขเหตุปัจจัยอันหนึ่งให้เป็นไปตามใจหวังได้ แต่ด้วยเหตุอำนาจของความอยากที่มีอยู่ภายในใจมันพยายามนึกพยายามคิดพยายามปรุงพยายามแต่งให้เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าประณาดถนาสินใดไม่ได้ตามใจหวังก็เป็นทุกข์อันนี้แหละเป็นกองทุกข์ที่ละเอียดที่สุดที่มีอยู่ภายในจิตของเราที่มีกิเลสหลักนั้นอยู่ข้างในทาให้เราผิดหวังทุกวั น, ท, วนทุกเวลาทุกนาทีทุกเรื่องทุกราว อาจมีความพอใจบ้างจากการที่ประสบความสำเร็จจากการที่หวังและมีความสำเร็จสำเร็จ ก, กับกสิ่งนู้นสำเร็จ ก, กับสิ่งนี้ได้ตามใจหวังกับเรื่องนั้นได้ตามใจหวังกับเรื่องนี้แต่พอได้มาตามใจหวังเป็นการเป็นคราวนิยมชมเชยชมชอบเป็นการเป็นคราวก็เบื่อก็หน่ายไปอีกแล้ว ก, ก็เบื่อก็นายไปแล้ว เบื่อหนายกับสิ่งนี้ก็ไปไนิยมชมชอบกับสิ่งนั้นได้มาเชยชมสักหน่อยก็เบื่อก็หน่ายก็คลายคลายจากความรักความโหกก็ไปสลายหาสิ่งใหม่แล้วอันนี้คือความที่ความไม่รู้จักความอิ่มพอความไม่อิ่มพอในปัญหาปัญหาคือความทยานอยากของจิตความอยากของใจ ดาสมใจหวังนิดหน่อยตั้งหน่อยหนึ่งก็เบื่อชินชาก็เบื่อหน่าแสวงหาสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นบรรดาสีในโลกที่เรามีที่เราเก็บเนียเราได้มาแล้วก็ยินดีพอใจเป็นการเป็นกลาวเสร็จแล้วก็เบื่อหน่ต้องการสิ่งใหม่จึงคิดว่าาไปสาเหตุต้นตอของมันกระแทกเกิดขึ้นมาจากความอยากความอยากนี้มันเป็นตัวสมุทยัยมันเป็นตัวกิเลสการหาอาสวะ มันเป็นสิ่งที่เคลื่อนแฝงมากับจิตนี่แหละคือสาเหตุทําให้เราได้รับความทุกข์อยู่ น, น, น้ำเนื่องอนีมันเป็นตัวสมัยที่ละเอียดที่สุดที่เราไม่ค่อยจะมองกันร็จแล้วพอเวลาเราแสวงหาแสวงหาแล้วไม่สมใจหวังไม่สมใจหวังกับผิดหวังก็ได้รับความทุกข์กองทุกข์มีสิ่งนู้นมาขัดมีสิ่งนี้มาขวางก็มีความทุกข์ต้องแก้ไขสิ่งนี้แก้ไขสิ่งนี้ได้แล้วก็ ค่ากับสิ่งนั้นแก้ไขสิ่งนั้นน่าจะฆ่ากับสิ่งนี้ค่าอยู่อย่างนี้แหละความเป็นไปของโลกอยู่ด้วยความติดอยู่ด้วยความคล้อง uz, อยู่ด้วยความคล้องฆ่าอ่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าการที่กิเลสที่มีอยู่ภายในใจมันไปกะไปเกณนยยี่แหละนีคือกองทุกข์อันหนึ่งที่มีอยู่ภายในใจละเอียดมากอันนี้อ uh, นั่งอยู่นั่งดูนั่งเห็นอยู่ที่ตัวของตัวเราเนี่ แล้วเราจะเห็นว่าคนข้างนอกก็จะมีเป็นภาวะอันเดียวกันมีความอยากมีความต้องการระหว่างมีเหตุปัจจัยของรูปธรรมกรเหมวนกันมีเหตุปัจจัยของนามธรรมาก็เหมวนกันมันเกิดขึ้นมาจากต้นเหตุคือสมุทัยต้นต่อคือเหตุให้เกิดทุกในภายในส่วนมากเรามักจะไม่ค่อยสาวไปให้ถึงสาเหตุใหถึงต้นต่อ เวลามีเหตุมีปัจจัยมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นมาขัดมาคล้องมาคายอยู่ในหน่วยใจเราก็แก้เฉพาะสิ่งที่เป็นผิวเผินอยู่ข้างนอกกลายเป็นว่าปัญหาต่างๆาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มารกจิตรกใจถ้าเราจะเทียบก็บเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ที่มันตั้งต้นมามีต้ น, ม, นมีใบมียอด ม, มีกิ่งมีก้านสาขา บางต้นเราก็ต้องการบางต้นเราก็ไม่ต้องการจึงไม่ต้องการกลายเป็นสิ่งรกเราก็ฟันออกเราก็ไปถางแต่ข้างบนพอเราถางแต่ข้างบนแต่ว่ามันมีรากมีเง้าอยู่ข้างล่างมันก็ลอกเปลี่ยนไปไม่กี่วันมันก็แทงยอดแทงหน่อขึ้นมาอีกเราก็ฟั น, นาาแต่ข้างบนเราสะเราสามแต่ข้างบนข้างล่างอ่ะอ่าเจริน ง, งอกเงยดันขึ้นมาอีกอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของสมุทรไทยที่มีอยู่ภายในยกิต โอกาสที่จะเราขุดคุ้ยลงไปให้ถึงรากถึงเงา้าแล้วก็ถอนรากถ อ, อนเงา้าถอนโคนออกทั้งหมดเรา ม, มีมีโอกาสที่จะทำได้นอกจากเราไม่รู้ไม่เข้าใจหนึ่งไม่ได้ยินไม่ได้ฟังหนึ่งขาดความสนใจที่จะรื้อที่จะขุดที่จะคุ้ยลงไปเพื่อจะดึงต้นต่อรากเง่าอันเป็นตัวสมุทรไยให้เกิดกองทุกข์นี่ย เหมือนอย่างความรกที่เกิดขึ้นมาเพื่อรกที่เราจะต้องไปตัดไปฟันอยู่นึ่งอย่างนีงนง้โอกาสที่เราจะย้อนลงไปนยากมากเพราะสิ่งที่เป็นผิวเผินอยู่ข้างนอกก็เป็นเหตุให้เราคลอยเคลิกเคลิ้มหลงไปกับมันเป้นอย่างบางสีบางอย่างไม่รกสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ชอบใจกลายเป็นสิ่งไม่รกออันนั้นกลายเป็นเครื่องก็ดับกลายเป็นต้นไม้ก็ดับ ตรงนั้นกลายเป็นร่มตรงนี้กลายเป็นเงาตรงนี้กลายเป็นเครื่องประดับตรงนั้นกลายเป็นไม้ดอกเป็นไม้ผลเป็นไม้อะไรต่างๆแลว้วก็นิยมชมเชยได้ใช้ได้สวยได้อะไรสี่ต่างๆเหล่านี้แต่สิ่งที่ไม่ชอบใจล้วพยายามจะถากจะถางจากอะไรด้วยเหตุที่เราลุ่มหลงมวัวแต่ชมเชยกับดอกกับผลของสิ่งต่างๆโอกาสที่เราทำลายความรกเนี่ยทำลายลงไปได้ยาก เหมือนอย่างคนมายาของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจของเราที่มันแสดงออกมาข้างนอกมันแสดงออกมาวาดบรรยากาศวาดภาพสวยก็รู้อย่างนั้นอย่างนี้เราก็หลงเคลิมเพลินไปกับมันไปตามมันเพลินไปชมชยสิ่งนี้เพลินไปชมชอยสิ่งนั้นเพลินไปชมชยรูเปเพลินไปชมชยเสียงชยชมชยกลิ่นชมชยรส ชมเชยความผัสสะความสัมผัสอันเป็นสิ่งที่กิเลสมันออกมาชมเชยเราขโมยธรรมติตมาหลงมาเคลือมาเคลิ่นกับสิ่งต่างๆเหล่านี้โอกาสที่จะมาพิจารณาถึงรากเงาสาเหตุต้นต่อของมันเนี่ยไม่มีโอกาสที่มันจะให้เราย้อนไปดูมันแหล ะ, อะโอกาสที่เราจะไปขุดไปคุย้ยไปถึงรากหนึ่งเงาดึงโคนมันออกมาก็เป็นไปได้ยากมากอ่ เพราะฉะนั้นปราบใดก็ตามเราไม่ได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมของพระพุทธเจ้าโอกาสที่เราจะรู้เราจะเข้าใจเราทําบุญให้ทานได้มีโอกาสทําบุญให้ทานมีโอกาสขึ้นสวรรค์ต่างๆได้มีโอกาสบําเพ็ญกิจให้ได้รับความสงบได้แต่โอกาสที่จะไม่ใช่ปัญญาพิจารณาเพื่อที่จะขุดคุยขุดค้น เข้าในหลักของอริยศัสตร์นี่คือทุกสมุทัยนิโรธมากโอกาสที่เราจะมาเข้าหลักตรงนี้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบาเพ็ญแล้วก็เข้าหลักตรงนี้ได้ทำให้พระองค์ได้ตรัสรูเรสธธ้เป็นพระธรมมาสามพุทธะเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นไปได้ยากท่านไม่มีไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนท่านแต่อุทก ด, ดาบทอารา ด, ดาบทก็ยังไม่เคยสอนวิธี ถอถอนสมุรไทยที่มีอยู่ภายในกิจออกสอนจะเรื่องฌานสอนจะเรื่องสมาบัติสอนจะเรื่องอารูปสมาบัติพระองค์ก็ได้บรรลุ ค, คุณธรรมต่างๆเหล่านั้นตามได้โดยไม่ยากแต่ก็ไม่ได้สอนถึงชั้นที่จะขุดคุ้ยลงไปถอนถึงรากถึงเหงาถึ ง, ถ, งถึงต้นถึงตอเพราะฉะนั้นในคืนวันเนเพ็ญเดือนหกเป็นวันที่พระบิดาเจ้าทรงตรัสรู้ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะตรั ส, ร, สธธรูรสร้ได้ด้วยพระองค์เนื่องจากพระองค์มานั่งพิจารณาถึงผลงานที่พระองค์เคยได้ตั้งแต่สมัยเป็นพระกุมารได้รับความสงบพิจารณากำนดลมหายใจเข้าโลมหายใจออกได้รับความสงบจิตได้รับความสงบได้รับความแปลกปราดอัจฉริยะในสมัยนั้นพอระลึกได้กคยย้อนมาจับอันนี้ ย้อนมีแต่ย้อนกับย้อนย้อนกับย้อนย้อนกับย้อนย้อนลึกเข้าไปข้างในหน่อยย้อนลึกเข้าไปทีจิตย้อนเข้าไปทีจิตเลยเป็นเหตุให้ฟองเข้าถึงหลักอริยสัจทั้งสี่ย้อนไปจนถึงสมุทัยสาเหตุต้นตอย้อนไปถึงสาเหตุต้นตอในเมื่อย้อนเข้ามาตรงนี้จิตได้รับความสงบเมื่อจิตได้รับความสงบแล้วก็เข้าหลัก เมื่อเข้าหลักก็สามารถเกิดญาณที่เรียกว่าภูเพนิวาสารสติญาทะลึกชาติต่างๆของพระองค์ได้ในยามเบื้องต้นในยามถ้ำกลางก็เห็นกําเนิดของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่เหมือนอยู่ถ้ำกลางเหมือนอยู่เฉพาะหน้าของพระองค์ว่าคนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่เกิดจากกรรมเหล่านี้กรรมทํากรรมเหล่านี้ไปเกิดเป็นนั่นทํากรรม เรานั้นไปเกิดเรานั้นไปเกิดเรานั้นตายจากนั้นเราไปเกิดเรานั้นตายจากนั้นเราไปเกิดเรานั้นตายจากนั้นเรามาเกิดกันนี้ก็ทำไม่ยามเห็นพบชาติของพระองค์ไม่มีจุดจบย้อนไปนานสักเท่าไหร่ก็ไม่มีจุดจบเห็นเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายที่เรียกว่าทะลึชาติได้ไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันเป็นกี่กับเป็นกี่วิวัตรกับไม่จบไม่ชิ้นมีได้เกิดตายเกิดตายยืนอยางนั้นไม่จบ มาท้ำกลางก็เห็นภพชาติของสัตว์เกิดตายเกิดตายเกิดตายเหมือนกันทีนี้ก็มาแสวงหาปัจจัยว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดที่แน่นอนก็เลยมานั่งหมุนนั่งพิจารณาพิจารณาสาวไปสามาสามาสาวไปก็ย้อนลึกเข้าไปย้อนลึกเข้าไปย้อนย้อนย้อนย้อนไปจนถึงสมุทัยสมุทัยลึกละเอียดเข้าไปหรือย้อนไปจนถึงตันหาย้อนไปจนถึงอวิชชาอวิชชาย้อนไปจนถึงตัวจ ย้อนไปจนถึงความงอของจิตด้วยตะปะธรรมที่แผดเผาด้วยบารมีที่แก่กล้าก็ทําให้พระองค์เนี่ยผ่านทะลุตรงนั้นไปได้ตัดสรุปขึ้นมาได้ถอนสมุดไทยถอนรากถอนโคนถอนเง่าของกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงตรงนั้นออกมาได้เกิดตายเกิดตายเกิดตายก็คืออะไรก็คือกองทุกข์นั่นแหละเกิดแก่เจ็บตายเกิดแต่เจ็บตาย ในวัดด่สงสารเราสามารถย้อนเข้าไปได้พิจารณาเข้าไปได้ทะลุทะลวงเข้าไปได้สิ่งที่มีอยู่ภายในใจของเราเนี่ยโอกาสที่มันจะให้เราย้อนเข้าไปดูมันเนี่ยย้อนไปได้ยากมากอถ้าเราได้หลักอันนี้เนี่ยเราเอาไปใช้ไปเทียบเคียงใช้กับหลักต่างๆทั้งหลายทั้งปวงได้ย้อนไปถึงอะไรเกิดขึ้นภายในใจอ่าอ่า ถ้าเรามาเทียบว่าอะไรที่เกิดขึ้นภายในใจความดีใจเกิดขึ้นภายในใจท่านให้ย้อนไปดูสาเหตุต้นต่อของมันเมื่อเราย้อนไปทราบสาเหตุต้นต้นต่อมันความดีใจมันก็เฉยเฉยความเสียใจเกิดขึ้นภายในใจท่านให้ย้อนไปดูสาเหตุต้นต่อมันย้อนไปย้อนไปย้อนไปไปเห็นสาเหตุมันเราก็ยอมรับสาเหตุยอมรับต้นต่อของสาเหตุที่มันเกิดขึ้นด้วยเหตุใดด้วยเหตุใดเนี่ย ความเสียใจนั้นมันกปลดระนาไปนี่นี่คือวิธีย้อนภายในจิตของเราเราสามารถดึงมาเป็นข้อปฏิบัติประจําจิตของเราได้อันนี้เป็นของเฉพาะจิตเป็นอาวุธลับอยู่ที่จิตมีที่จิตใครรู้ใครเห็นใครเข้าใจใครทราบกับเราไม่ได้ถ้าเราได้วิธีนี้แล้วเรายืนเดินนั่งนอนอยู่ตรงไห น, นเราสามารถกํากับดูแลย้อนก็ไปย้อนเข้าไปเพื่อพิจารณาถือว่าเป็นตปัธรรม ที่ติดแนบสนิทอยู่กับตัวสามารถพัฒนาจิตใจของตัวเองไปทุกระยะทุกวันเวลาทุกนาทีทุกวินาทีทุกขณะจิตเนี่ยเรากาหนดพิจารณาย้อนดูอย่างนึงทำจนเคยเคยชินแล้วเราก็สามารถจะย้อนย้อนย้อนย้อ น, อนไปแก้ปัญหาที่หยาบหยาบย้อนไปย้อนไปปัญหาที่หยับหยาปัญหาทั้งหลายทั้งปวงไม่จบไม่สิน้นมีขั้น จะหยาบมีขั้นกลางกลางแล้วก็มีขั้นละเอียดลึกเข้าไปถึงขั้นอนุัยกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ภายในจิตเราก็เริ่มหัดย้อนแบบนี้เลยย้อนไปแก้ไขกิเลสย้อนไปแก้ไขภาวะพื้นพื้นธรรมดาเช่นอย่างอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่จรมาระหว่างตาไปเห็นรูปเกิดความรู้ขึ้นเกิดความรู้ขึ้นเราดีใจเราเสียใจ สิ่งที่ชอบใจเราก็ดีใจสิ่งที่ไม่พอใจไม่ชอบใจไม่ถูกใจหรือผิดหวังเราก็เสียใจเสร็จแล้วเราก็ไปหยุดแค่นั้นเราไปชะลอแค่นั้นเราก็ไปช ง, งักแค่นั้นเราไม่ได้สาวเห็นสาเหตุต้นต่อหรือสาวไปไม่ได้เพราะมันติดตันไปหมดมันไม่มีสติไม่มีปัญญาในแง่ของธรรมะเนี่ยเราสาวไปไม่ได้เราก็ไปหยุดอยู่แค่นั้นละ่ะทีนี้เราเขามาแก้เราแก้เราก็แก้ไม่ถูกบางทีเรายิ่งไปแก้ก็เท่ากับยิ่งไปเสริม เสริมเหตุให้เกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นอีกมากขึ้นเช่นอย่างได้รับความทุกข <ose peaceful az en> <t ose peaceful size> ์ภายในใจแล้วไม่ไม่ไม่มีโอกาสที่จะย้อนเข้าไปย้อนไปก็ย้อนไปเห็นแต่คนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นทําให้เราคนนี้ทําให้เราสิ่งนั้นทําให้เราสิ่งนี้ทําให้เรางานนั้นทําให้เรางานนี้ทําให้เราเราลืมย้อนมาที่จิตของเราเองลืมย้อนมาที่จิตของเราเองเพราะงานต่างๆเหล่านี้เป็นงานระดับจิตใจเพราะสมุดไทยตัวนี้เป็นสมุดไทยที่ เป็นของเราเขาอยู่ในใจของเราของท่านก็อยู่ในใจของท่านของท่านก็แก้อเอาของท่านของเราก็แก้อเอาของเราสมุดไทยอันนีม้มีมีอยู่ภายในใจเพราะฉะนั้นเวลาเราจะย้อนเวลาเหตุอะไรเกิดขึ้นดีใจกับดีใจมีความดีใจเกิดขึ้นแทนที่เราจะย้อนมาที่ความรู้สึกสาเหตุต้นต่อที่เกิดที่ใจของเราเราย้อนไปกับสิ่งกับของกับเรื่องกับเราข้างนอก เวลาเสียใจเกิดขึ้นเวลาความทุกข์ใจเกิดขึ้นแทนที่เราจะ ย, ย้อนมาสาเหตุต้นต่อที่ใจของเราเราก็ย้อนไปข้างนอกย้อนไปที่นู่นสิ่งนั้นทําให้เราสิ่งนี้ทําให้เราคนนั้นทําให้เราคนนี้ทําให้เราคนนั้นทําให้เราผิดหวังคนนี้นทําให้เราต้องเสียอกเสียใจคนนั้นลบลูเราก็ย้อนย้อนไปดูแล้วก็ไปแก้ปัญหาตรง น, นั้นแหละซึ่งเป็นเป็นการไปแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ในที่สุดเขาไปแก้ปัญหาเท่ากับเป็นการไปมัดปัญหาเพิ่มเติมตัวเองโดยวิธีการไปเป็นเวรกันเป็นภัยกันเป็นต่อกรกันเป็นฆ่าแกงกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นแท้ที่จริงมันไม่ใช่สาเหตุต้นต่อที่แท้จริงอนั้นสาเหตุต้นต่อที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจของเราเราต้องย้อนมาที่ใจของเราเวลาดีใจเกิดขึ้นเราก็ย้อนมาที่ใจของเราย้อนไปแล้วเราจะทราบสาเหตุต้นต่อของมัน สาเหตุต้นต่อตของมันดีใจเกิดขึ้นเสียใจเกิดขึ้นย้อนไปที่ที่ใจของเราแท้ที่จริงแท้ที่จริงสิ่งที่อยู่นอกตัวเราจะเป็นรูปจะเป็นเสียงจะเป็นกลิ่นจะเป็นรสแม้แต่รสเนยก็ยังถือว่าอยู่อยู่ภายนอกถ้าเราจะเทียบกันไปแล้วเนี่ยกายยังถือว่าเป็นส่วนภายนอก กายของเราเองก็ยังเป็นส่วนภายนอกเพราะฉะนั้นรูปเอ่ยเสียงเอ่ยกลิ่นเอ่ยรสเอ่ยผัสสะเอ่ยเนี่ยที่มาสัมผัสเกี่ยวข้องกับตัวเราเนี่ยยังถือว่าเป็นสิ่งภายนอกทั้งหมดย้อนลึกเข้าไปที่ใจย้อนลึกเข้าไปที่ใจใจละเอียดลึกเข้าไปกว่านั้นอีกพอเราย้อนไปที่ใจเราทราบสาเหตุปัจจัยต้นต่อเราทราบกิริยาเราทราบปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ระหว่างตาเห็นรูปเกิดความรู้ขึ้นเนี่ยเกิดความรู้ขึ้นตรงนี้แหละกิเลสพร้อมที่จะเกิดขึ้นธรรมะพร้อมที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเนื่องจากว่านามธรรมาคือใจนี่มันมาสัมผัสกับรูปธรรมพอ ม, มันมันมาสัมผัสกับรูปธรรมปั๊บเนี่ยถ้าหากเราไม่มีสัมมาสติอมิจฉาสติมันก็ทําให้เราระลึกได้พอเระลึกได้ปับ๊บเราก็ยึดนะ การยึดก็คือการยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นยึด ม, ดมากยึดน้อยยึดมากเข้าก็เป็นยึดมั่นโดยอุ ป, ปาทานตาเห็นรูปรั๊บเกิดความรู้สึกขึ้นถ้าเราไม่มีสติถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีสัมผัสัญญะเป็นของตัวเองตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตมันก็มาแทรกตรงนี้แทรกเข้ามาตรงนี้แหล ะ, ะถ้าเป็นสิ่งที่น่าดีใจมันก็แทรกให้เราดีใจ ถ้าเป็นสิ่งที่น่าเสียใจมันก็แทะให้เราเสียใจดีมันแทรกเข้ามาตรงนั้นทั้งๆที่มันเป็นกิริยามันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองเราย้อนไปที่จิตที่แท้จริงจิตเป็นภาวะที่รู้คือผู้รู้คนมายาดีใจมายาชอบใจเสียใจต่างๆเหล่านี้เป็นคนมายาที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจความไม่ต้องใจความไม่สมหวัง ของกิเลสอันเป็นสิ่งที่เคลือบมากับจิตแฝงมากับจิตเนี่ยแฝงมากับความอยากดูให้ละเอียดลึกเข้าไปว่านั้นความอยากมันก็ไม่มีมันก็ยอมรับที่เหตุที่ผลไปทราบสาเหตุเหตุผลต้นตอที่แท้จริงแล้วมันก็ยอมรับอ๋ออันนี้ย้อนไปย้อนไปย้อนไปไปเจอที่เหตุเมื่อเจอเหตุใจมันก็ยอมรับเมื่อยอมรับแล้วมันก็หยุดในเมื่อมันหยุดก็เท่ากับว่ามันปล่อยเท่ากับว่ามัน เฉยๆเท่าว่ามันวางเท่าว่ามันทิ้งไปเฉยๆแค่นั้นเองความดีใจก็ไม่เกิดขึ้นความเสียใจก็ไม่เกิดขึ้นแท้จริงความดีใจนี้ก็ไม่ใช่ความสุขที่บริสุทธิ์ความเสียใจก็ไม่ใช่ความทุกข์ที่บริสุทธิ์ความเฉยๆลึกเลยไปจากความดีใจจากความเสียใจนั่นแหละเช่นอย่างจิตใจที่สงบไม่มีกิเลสมาก่อควนจิตใจ เป็นความสุขที่บริสุทธิ์เนื่องจากเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากไม่มีกิเลสมายุแย่ภายในหัวใจเหตุให้ดีใจก็ไม่ใช่เหตุให้เสียใจก็ไม่ใช่จิตสงบมีความสุขอยู่เฉยๆความสงบความสุขอันนี้ถ้าเกิดขึ้นจากการที่เราถอดถอนกิเลสตัณหาสภาวะในหัวใจเราออกได้หมดนี่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขอย่างแท้จริงที่พระพุทธเจ้าท่าทรงเข้าถึง พระสาวกพระอริยสาวกท่านมดบรรลุตามพระพุทธเจ้าท่างเข้าถึงตรงนี้นี่เป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจแต่ก็ไม่ใช่กลางกลางแบบวารกิตของคนพื้ น, พ, นพื้นธรรมดาเป็นกลางๆงที่เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราระแล้วเราวางแล้วสักแต่ว่า กิริยาต่างๆนั้นเกิดขึ้นสัมผัสสัมพันธ์ไปตามหลักธรรมชาติธรรมนั้นเองนะเช่นตามีหน้าที่ที่จะต้องเห็นรูปเพราะว่ามันออกมาทางตาใจมันออกมาทางตาแล้วไปเห็นรูปเกิดความรู้ขึ้นนะต้องมีจิตรับรู้รับสัมผัสและเกิดความรู้ขึ้นเกิดความรู้ขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยภายในคือคืตาเหตุปัจจัยภายนอกก็คือรู้ใจเป็นคนออกไปทางประตูคือตาแลไปออกไปเห็นรูปไปเห็นแล้วก็ยินดี ชอบใจแล้วก็ถ้าเพื่อไม่เป็นเหตุให้ดีใจให้ก็เป็นเหตุให้ไม่ไม่ดีใจก็ไม่พอใจคือเป็นเหตุให้ชอบกับไม่ชอบอทั้งชอบกับทั้งไม่ชอบเนี่อยู่ในภาวะที่ท่านเรียกว่ายึดถือความยึดถือทําให้เราชอบและก็ทําให้เราไม่ชอบ ความไม่ยึดถือต่างหาเราดูไปแล้วทําให้เกิดความเฉยเฉยแต่ไม่ใช่เฉยเฉยแบบไม่รู้น่ะเฉยโดยโดยเหตุที่รู้จักทั้งหมดว่าแล้วว่าอะไรคืออะไรเป็นอะไรรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรรู้แล้วว่าสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นรู้แล้วว่าตาก็คือตารูปก็คือรูปใจก็คือใจต่างคนต่างอยู่คนละภาวะอันนี้คือข้อปฏิบัติโดยละเอียดที่เราน้อมนึกพิจารณากํากับมาที่ใจของเรานี่โอกาสที่ เราจะได้ยินได้ฝังได้ศึกษาเรียนเข้ามาให้ลึกสามารถถึงสมรรถภูมิที่เรามาต่อกร ก, กันกับกิเลสตรงนี้เนี่โอกาสที่เราจะขยับไปได้ยากถ้าเราไม่มีความสนใจเวลาเราแก้ปัญหาเราก็ไปแก้ปัญหาผิวเผินโอกาสที่จะย้อนเข้ามาที่ใจของเราจะเราจะไม่ย้อนเรามักจะโทษไปนอกตัวทั้งหมดบางคนทําผิดที่ตัวเอง รู้เหตุผลต้นต่อทั้งหมดว่าเกิดขึ้นจากตัวเองแต่ไปโยนให้คนอื่นไปใส่ร้ายคนอื่นโยนให้คนอื่นเนี่ยร็จ แ, แล้วก็วังชนะเขาหวังชนะเข า, เขาแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าเออเรายกันแล้วเราพ้นตัวไปแล้วแต่ภายในใจของเราเราทราบเองว่าโอ้เรื่องนี้เราผิดจริงเราผิดจริงถ้่เราไม่ยอมรับเรายนไปที่นูน่นยนไปที่นี่ แต่เรื่องของกรรมมันไม่ไปไหนมันก็มามัดใจของเราเนี่ยเราหม่พ้นทุกข์เหมือนอย่างเราไปทำชั่วทำในที่รับทำในที่ยังไงก็ตามแต่สมมติอยากไปฆ่าคนตายเราฆ่าคนตายจะมีใครรู้ก็ตามไม่มีใครรู้ก็ตามไม่มีใครเห็นก็ตามคนอื่นจับไม่ได้ก็ตามเราอยู่สุขสบายไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นจับเราไม่ได้แต่ภายในใจของเราเนี่ยเรารู้เราเห็น เมื่อเรารู้เราเห็นแล้วไม่ใช่ว่าเราจะได้รับความสุขเราจะต้องได้รับความทุกข์เราจะต้องได้รับกองทุกข์ภายในหัวใจของเราเพราะเราทราบเหตุผลต้นตอว่าเ้าค่าคนตายเราทําผิดกฎหมายเราโหดร้ายเราทารุณเนี่ยมันนึกกรรมิติเตียนตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่คือความทุกข์ความทุกข์อันนี้มันคอยทิ่มแทงหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงความไม่ดีต่างๆที่ ไม่หนักเท่ากับการฆ่าคนการชอบการโกงการบิดการเบี้ยวการอะไรสารพัดการการแกล้งเรื่องราวหลักฐานข้อมูลคือความไม่ตรงไปความไม่ตรงมานั่นแหละนี่เป็นเหตุให้เราได้รับกองทุกตามมาทุกอย่างตามมาทุกเรื่องอเรามาศึกษาเรื่องต่างๆนี้เราทราบความเป็นไปของมันเราสามารถจะย้อนมารักษาความบริสุทธิ์ที่ใจของเราได้ เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไปจากอานาจของใจของเราดวงเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรามาย้อนมาที่นี่เรามาศึกษาที่นี่เราทราบสาเหตุต้นต่อแล้วก็มาแก้ไขที่สาเหตุต้นต่อโอกาสที่จะเข้าถึงสมุทยสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือขั้นมูลฐานอย่างแท้จริงเราก็สามารถจะเข้าถึงได้เราก็สามารถจะแก้ได้อันนี้คือความเป็นไปภายในใจของเรา ทีนี้การที่เราตั้งใจจะปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องมีเราจะต้องมีเราจะต้องมีรูปแบบ เ, เราจะต้องมีรูปแบบทำอย่างไรเราถึงจะเข้าไปรู้เข้าไปเข้าใจสิ่งต่า ง, างๆเหล่านี้ได้โดยง่ายาพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนให้เราทำจิตให้ได้รับความสงบ เนื่องจากว่ากิเลสมันวุ่นวายภายในใจของเราเราทําให้ใจของเราได้รับความสงบในขณะที่ใจของเราได้รับความสงบก็คือกิเลสสงบทีนี้ทําไมจิตของเราถึงจะสงบครูพระเจา้าครูบาอาจารย์ของเราท่านจึงสอนให้เราบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือคิดอย่างใดอย่างหนึ่งคิดคดําใดคำหนึ่งคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้ปล่อยให้จิต คิดล่ำลอยเลือ่อเปลื่ยไปตามเรื่องนั้นไปตามเรื่องนี้ซึ่งเป็นเหตุก่อเรื่องก่อราวยืดยาวไปไม่มีจุดจบไปดีใจไปเพลือนใจไปทุกข์ยากไปลำบากไปอะไรไปอะไรกลับเรื่องกับราวที่เราเลืกเราคิดให้นึกเรื่องเดียวคิดเรื่องเดียวเช่นอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาว่าพุทโธพุทุกข์กำลังได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่คืออารมณ์ให้ใจอยู่กับอารมณ์อันเดียววันนี้ใจก็จะสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียว อาศัยจิตมาเป็นเชือกมัดอาศัยสัมปชัญญะมาเป็นเชือกมัดอาศัยหลักคือคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธอาศัยความดำริเข้าไปที่จิตพุทโธพุทโธพุทโธคือคิดเรื่องเดียวนึกเรื่องเดียวทำความรู้สึกอยู่กับเรื่องเดียวเสร็จแล้วก็กำหนดด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกดีก็ได้นั้นหลวงปู่มั่นเขาให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็กำกับนึกคำว่าพุทโธพุทโธ ลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธลมหายใจออกบริกรรมว่าโธเอาจับจิตมาอยู่กับคำว่าพุทธโถแค่นี้แหละทำไปทาไปทาไปจนจิตได้รับความสงบเวลามันไม่สงบมันไม่อยู่อพอเรากำหนดปั๊บมันเหมือนกับว่ า, วามันเผลอนะมันออกไปแล้วละคิดไปเรื่องนี้คิดไปเรื่องนี้คือมันกะโดดออกไปความยากนะความยากของตัญหาที่มีอยู่ในใจเนี่ย มันไม่อยากอยู่นิ่งๆเฉยๆด้วยความทะเยอทยานของมันะมันดิ้นมันรนอยู่ข้างในกระสับกระส่ายอยู่ข้างในเราจับให้มันสงบมันดีดมันดิ้นมันอะไรเหมือนกับปลาอยู่ในน้ํามันจับอยูมามาอยู่บนบกมันดิ้นปวดลาดปวดลาดเพื่อที่จะลงน้ําของมันบรรดาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเนี่ยถ้าเราจะเทียบแล้วกับเหมือน้ํำปลานิสัยของมันมันชอบอยู่ในน้ํา ถ้าเราจับเอามาอยู่บนโบกมันก็ดิ้นพวดพวดิ้นเพื่อจะเข้าน้ำดิ้นเพื่อจะลงน้ำโดยปกติของจิตมันก็วิ่งรับอารมณ์วุ่นอยู่ตลอดอมันไม่เคยอิม่มมันไม่เคยพอแต่พอเรามาจับให้มันสงบมันก็ดิน้นซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในเมื่อเราจับบ่อยครั้งเข้าจับบ่อยครั้งเข้ามันก็เริ่มเชื่องเริ่มชินเริ่มเชื่องเริ่มชินมันก็เริ่มไดรู้สึกว่าได้พื้นได้ฐาน ได้รับความแนบแน่นขึ้นมาเรื่อยๆทำเรื่อยๆทํำบ่อยครั้งทําเป็นอาจินการทําได้เป็นอาจินนั้นจะเป็นยาชูกําลังให้กับทางด้านจิตใจได้เป็นการพัฒนาจิตใจได้ทุกระยะทุกวันเวลาเพราะการที่ทําจิตให้ได้รับความสงบนั้นทําให้เป็นผู้มีคุณสมบัติคือความสงบของจิตทําให้จิตมีสมาธิทํา ง, งานทางงานํทาการสิ่งใดก็ก็ได้ผลอย่างชัดเจนเนี่ย ท่านให้ทำจิตให้ได้รับความสงบจะสงบมากจะสงบน้อยจะสงบลึกละเอียดไปจนไม่รู้สึกไม่เกี่ยวข้องกับกายท่านให้ทำความละเอียดรู้สึกอยู่อย่างนั้นน่ะจะสงบละเอียดไปเท่าไหร่ท่านให้อยู่อย่างนั้นแหละพอเวลาจิตถอนออกมาท่านให้มาพิจรารณาลวงตาท่านสอนให้ทำสองอย่างนี่แหละหนึ่งทใจให้ได้รับความสงบ สเมื่อจิตถอนจากความสนุกมาให้พิจรารณาเมื่อพิจารณาอิ่มหรือไม่กปจิตจิตมันเริ่มหมด ก, กําลังการที่จิตสงบนั้นเท่ากับว่าเราเพิ่มกําลังพอเราเอาไปใช้ไปนึกไปคิดไปพิจรารณาไปคลี่คลายให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในแ ง, ขงน่ของธรรมะในกระแสของธรรมะมันเน็ดมันเหนื่ยอยก็เอามาดึงกลับเข้ามาให้ได้ความสงบ เขได้รับความสงบอินมพอเหมือนกับว่ามีกําลังวางฌามออกมาก็ทํางานท่านให้ทำงานสองอย่างนี้แหละสลับกันไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยด้วยวิธีการสองอย่างนี้เราสามารถเทียบได้ว่าสมถะแล้วก็วิปัสนาสมถะและวิปัสนาเราจะไปใช้กามาแต่วิปัสนาวิปัสนาอย่างเดียวบางทีเราก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่รู้ไม่เข้าใจคําว่าสมถะ สมถะมันเป็นพลังมันเป็นกําลังที่เรากระตุนเอาไว้เพื่อจะใช้ในยามที่เราต้องการใช้เรียวใช้แรงมันไม่เสียเวลาหรอกเราน้อมจิตมาให้ได้รับความสงบพอจิตออกจากความสงบก็พิจารณาทางด้านปัญญามันไม่เสียเวลามันเป็นมันเป็นการเข้าไปพักและมีกําลังเนื่องจากว่า เราเอาสติเราเอาสัมจัญญะมามัดจิตให้จิตเราอยู่อยู่กับที่อยู่ตลอดจิตของเราก็เชื่องจิตของเราก็มีพลังเนื่องจากมีพลังจิตมีพลังจิตมีอำนาจถ้าจิตไม่มีพลังจิตไม่มีอำนาจรวมไปถึงไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะเข้าไปพิจารณาแก้ไขสาเหตุต้นต่อที่มีอยู่ในภายในมันก็เข้าไปไม่ได้เข้าถึงไม่ได้พอเริ่มเข้าไปสักหน่อยก็เลยเมื่อตีกลับมาคืแหละ เริ่มเข้าไปซะหน่อยไปพิจรารณาซะหน่อยเกลเล็มก็ตีกลับเข้ามาคืนคือมันดึงกลับมาคืนให้เรามาอยู่ในอำนาจของมันจะเริ่มพิจรารณารู้สาเหตุต้นต่อของมันมันก็ทีกลับมาคืนนแต่ถ้าจิตเราสงบกําลังของกิเล็มเกลเอ็มันก็ไม่ค่อยมามารุกรานจิตของเรามากเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราทําจิตให้ได้รับความสงบแล้วมีกําลังมีความแน่น ไม่อจิตเม่อิตได้รับความสงบเรื่อยๆเนืงองๆถอนออกมาแล้วก็พิจรารณาทําอยู่ในวิธี2 อ, อย่างนี้แหละเราสามารถจะเข้าไปรู้เข้าไปเข้าใจสาเหตุต้นตอสมุดภายในภายในแล้วก็สามารถที่จะตอก่อนกันได้ในภายใการพิจารณาก็คือพิจรารณาธาตุฐานนี่แหละพิจรารณาความเป็นไปความเป็นมาของรูปธรรมของร่างกายอัตภาพร่างกาย แล้วก็ย้อนมาพิจารณาทางด้านนามธรรมาคือจิตใจทํางนานสลับกันไปอืมแต่ถ้าหากเราพิจารณารูปธรรมคือพิจารณาร่างกายพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในขณะที่มันกําหนดจดจ่ออยู่กับธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟใจมันก็อยู่ในนั้นด้วยใจมันก็อยู่ในนั้นด้วยแต่บางครั้งอารมณ์มันรุนแรงมันกระแทกเข้ามาที่จิตเราก็ย้อนมาพิจารณาที่จิต เช่นอย่างจิตมีความโกรธเนี่ยเราก็ย้อนมาพิจารณาที่จิตย้อนมาพิจารณาที่จิตแล้วก็ย้อนไปพิจารณาที่เรื่องเรื่องที่จะทำให้เกิดความโกรธถ้าเราจับอะไรไม่ได้จับอะไรไม่อยู่เราก็ไม่จับอาการของมันอาการมันเป็นยังไงอาการมันหนักมันแน่นมันอะไรเราพอย้อนมาเราก็ทราบ พ, พอเราย้อนมาเราก็ทราบ พอเราทราบมันก็สักมันก็สักสวะอ้ออันนี้เองอันนี้เองอันนี้เองแล้วก็จิตมันเด่นเด่นออกมาอีกคือมันจะมาจะมาทราบอาการที่หยาบหยาบคืออาการที่กายเสียก่อนมันจะเห็นความวิวเห็นความควัดแหว่งของกายของเราเกิดความเครียดเกิดแล้วพอเราย้อนมาแล้วก็เราทราบอาการของมันพอทราบอาการของมันก็ย้อนไปที่จิตย้อนไปที่จิตจะเป็นย้อนไปที่เรื่องที่ทําให้เกิดต่างต่างเหล่านั้นย้อนไปย้อนไปไปทราบสาเหตุ มันก็หยุดดันก็จะลอได้แบบนี้ถือว่าเป็นการตามต้อนระงับเหตุของมันการตามต้อนระงับระงับเหตุคำว่าระงับในที่นี้หมายความว่าเราย้อนเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเมื่อเข้าไปรู้เข้าไปเห็นมันก็ระงับของมันเองเนี่ยท่านจึงให้หมุนพิจารณาอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้พิจารณาร่างกายแล้วก็พิจารณาจิตใจ ถ้าเราไม่พิจารณาร่างกายเราก็หลงกายด้วยเหตุที่เราหลงกายเราก็หลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแล้วหลงไปทั้งหมดถ้าเราไม่ย้อนมาที่จิตของเราเราก็หลงเคลินไปกับจิตของเราอหลงว่ามีฤทธิ์มีเดชมีอํานาจมีอย่างนั้นมีอย่างนี้มีสักดาลุภาพอย่างนั้นอย่างนี้คุณธรรมานะต่างๆนะครับมากเท่ามันก็มากขึ้นโอกาสที่จะทําผิดลูกผิดทางผิดอะไรต่ออะไรสารพัด เนื่องจากว่าจิตของเรานะั้นมันไม่มีขอบเขตในการที่จะนึกที่จะคิดที่จะทำคนทำอบายตามมายาของกิเลสอันเป็นไปตามมายาของกิเลสกิเลสมากมายมากกว่าแม่น้ำตันหามหานาทีนะั่นแะนทิตันหาสมานาทนะีตันหาคือความดิ้นความอยากของจิตที่อุบายมายาของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตมันก็มากมายเหมือนกับน้ำนั่นแหละ มากกว่าแม่น้ำในในมหาสมุทรพอจะนบายมายาความนึกความคิดภายในจิตของใครของเรานะ่มันไม่เหมือนกันมันจะผิดแปลกแตกต่างกันไปเรื่อยคิดนึกุบายต่างๆแลนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมต้องมาในแง่เดียวกันต้องมาในแง่เดียวกันให้เราพิจารณามาถึงสาเหตุมาถึงต้นต่อมาถึงหลักความเป็นจริงอะไรคือความเป็นจริงเราเข้าไปตรงนั้นอะไรคือหลักของสัจธรรมเราเข้าไปตรงนั้น เชนะ่นอย่างเราพิจรารณากายก็คือพิจรารณาสัจธรรมกายนี้เป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์เรากําหนดดูร่างกายเรากําหนดดูกายพิจารณาร่งางกายนี่ก็เท่ากับว่าพิจรารณาก่องทุกข์แล้วก็ย้อนไปที่จิตย้อนไปที่จิตก็คือย้อนไปดูตัวสมุทยัยสมุทัยมันไม่เกิดที่กายมันเกิดที่จิตเราย้อนไปที่จิตเราจะเห็นตัวสมุทยัย ในขณะที่เราทำสับไปสัมมาสัมมาสับไปอันนี้เป็นการเดินมรกเป็นการเจริญมร์เราเข้าไปรู้เหตุผลต้นต่อของมันดับเรื่องดับเราดับสมุทยัยจุ๋มจุ๋มเยิ้มเยิ้มราดับไหนก็ตามระดับหยา บ, ยบระดับขั้นขั้นกลางขั้นไหนก็ตามพอเราดับได้มันก็เป็นนิโรดนิโรดนิโรดมากนิโรดน้อยถึงนิโรดขั้นเด็ดขาด เป็นตามชั้นตามภูมิอันนี้อันนี้มันก็มันก็เข้าในหลักของอริยศาสตร์ทั้งสี่ถ้าเราไปที่อื่นเราจะไม่เจอความจริงเราจะไม่พบความจริงเราและเราก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าเราย้อนมาที่นี่เราจะเจอเราจะพบแล้วเราจะแก้ได้เราย้อนไปเราก็เห็นเราย้อนไปเรายังยังไม่เห็นสมุทัยที่ละเอียดเราก็จะเห็นสมุทัยที่ยาว เรายืนตรงไหนเราเดินเรานั่งเรานอนตรงไหนเราพยายามย้อนเข้าไปเกิดความรู้สึกที่ใจยังไงเราก็ย้อนเข้าไปเกิดความรู้สึกที่ใจยังไงเราก็ย้อนเข้าไปนอกจากย้อนเข้าไปแล้วก็มาพิจรารณามันรุ่มหลงกับสิ่งใดเราก็ย้อนไปดูสิ่งเหล่านั้นแล้วย้อนมาดูที่ใจขงองเราย้อนไปดูสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นท่านยิงให้พิจรารณามีแต่การพิจารณาอย่างเดียวท่านั้นแหละเป็นการศึกษาเป็นการคลี่คลาย ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นแนวทางเป็นทางเดินเป็นทางเดินเข้าไปรู้เข้าไปเห็นสมุทยัยเพื่อที่จะถอนมันออกมาในเมื่อเราตั้งใจทาแล้วก็ทำถูกวิธีทาถูกหลทางเราก็สามารถจะได้ ความสว่างสวยภายในใจมันหากมีความชำนิชํานาญมันหากได้กําลังจิตได้กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเราสะสมเรื่องความสงบเราสะสมเข้าไปเรื่อยสะสมเข้าไปเรื่อยเราอย่าประมาทแม้แต่ขณะจิตเดียวแม้แต่แม้แต่นาทีหนึ่งนาทีสองนาทีสนาทีกําหนดเข้าไปทําให้ได้รับความสงบทําไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยทำไปเรื่อยสะสมไปเรื่อย โดยโดยความไม่ประมาทอย่าดูถูกความสงบทำให้สงบได้บ่อยครั้งเข้าจิตใจของเราจะแนบแน่นแนบแน่นตั้งมั่นเป็นตัวของตัวโอกาสที่มันจะดิ้นรนไปตามกิเลสมันมันดิ้นรนไปได้ยากเนื่องจากว่ามันมีกระแสสติสัมปชัญญะเนี่ยอันเป็นกระแสธรรมสติสัมปชัญญะนี่ถ้ามีเด่นอยู่ภายในใจแล้วเนี่ย ตัวนี้จะเป็นตัวปิดกั้นไม่ให้กระแสกิเลสเข้ามาแสดงตัวที่จิตได้จากนั้นแล้วเราย้อนไปคลี่คลายระเปิดพิจรารณาการไปคลี่คลายไปพิจารณาให้รู้สาเหตุต้นต่อที่แท้จริงนั้นสามารถตัด ก, กระแสของกิเลสตัณหาต่างๆเหล่านั้นได้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นกิเลสที่มันมีอยู่ภายในใจมันก็เหือดไปแห้งไปแท้ที่จริงกิเลสทั้งหลายทั้งปวง ที่มีอยู่ภายในใจของเราก็คือกนอุบายของความไม่ฉลาดของใจของเรานั่นแหละที่มันมีเคลือบแสงอยู่ภายในใจเราทํามาทุกขั้นทุกตอนมันเป็นการฝึดผัดชำระผัดกลาภายในจิตของเราเองขัดเข้าไปขัดเข้าไปขัดเข้าไปเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านว่าปอกไปเรื่อยปอกไปเรื่อยปลอกไปเรื่อยปอกไปเรื่อยหมดไม่มีอะไรไม่มีอะไรกนอุบายมายาของกิเลสน่ะมันเป็น เป็นคลนเป็นอุวายเป็นมายาเกิดขึ้นไม่มีตัวไม่มีตนที่มีตนร่างกายเขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตใจเขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนกิเลสยิ่งไม่มีตัวไม่มีตนเป็นแต่อุวายเป็นแต่มายาเกิดขึ้นเหมือนกับประกายที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นไปสัมผัสกันอเช่นอย่างหินกับเหล็กไปสัมผัสกันเกิดประกายไฟขึ้นมาเกิดประกายไฟขึ้นมา ถ้าเรามาเทียบกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราสามารถเอาไฟนั้นนะมาใช้ประโยชน์ได้มาใช้ประโยชน์ไปในไปใช้ในทางที่ทําให้เกิดประโยชน์ได้คือเหมือนอย่างไฟแชกเนี่ยพอเอาหินกับเหล็กไปสัมผัสกันปับ๊บเกิดประกายไฟขึ้นมาเจ้อย่างเดียวนี้เขาปล่อยเป็นแก๊สนี่ ไ, ไหมตะเกียงไปใช้ไฟแชกแก๊สเนี่ยกดลงไปแล้วแก๊สขึ้นมากระไหมได้ไฟมาใช้สอยประโยชน์แต่ถ้าเราไม่เข้าใจ เกิดปะกายขึ้นมาพักแล้วเอาไฟไ ป, ไปจุดไ ป, ไปเผาไปอะไรสารพัไปทําลายอันนั้นคือผลิตผลของกิเลสเมื่อเราทราบสาเหตุต้นต่อของมันแบบนี้เรารู้เราเข้าใจสิ่งเหล่านั้นหมดก็ค่อยดับไปสิ่งที่เป็นสาเหตุเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็พยายามเข็ดลาบกันอยู่แล้วแหละแต่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปรู้เข้าไปเข้าใจที่จะไปหักล้างเพื่อที่จะไปถอดถอน มันเป็นเรื่องคิดตีบตันที่จริงๆเรื่องต่างๆนี้หนทางเดียวเท่านั้นอริยมรรคอริยมรรคมีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าทรงปราสไว้เท่านั้นแหละที่จะเป็นช่องทางให้เราเดินตามท่านไปและได้ประสบพบเห็นแล้วก็สามารถเข้าไปรู้ไปเห็นเข้าไปเข้าใจตรงนี้ได้ตามภูมิตามชั้นตามความสามารถแห่งตนแหน่งตนเอาเลยนะพอสมควรละ